เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเมื่อใสยในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่4มกราคมพุทธศักราช2557เป็นวันที่ท่านได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างเหตุที่ดี ที่จะทำให้ปีใหม่ของเราเป็นปีใหม่ที่ดีกว่าปีเก่าการที่เราจะทำให้ปีใหม่ของเรานี้ดีกว่าปีเก่าได้ก็อยู่ที่การกระทำของเราคือการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจถ้าเราการกระทำของเราทางกายทางวาจา และทางใจดีกว่าปีที่แล้วผลที่จะเกิดขึ้นตามมาในปีนี้ย่อมทีจะดีกว่าถ้าเหตุคือการกระทาของเราดีกว่าปีที่แล้วผลก็จะดีกว่าปีที่แล้วผลก็คือความสุขความเจริญอยู่ที่การทำดีพูดดีคิดดี การที่เราจะทำดีคิดดีพูดดีได้เราก็ต้องมีการตั้งเป้าเอาไว้ต้องมีการตั้งใจถ้าเราไม่มีความตั้งใจไม่ได้ตั้งเป้ากำหนดการกระทาของเราไว้เราก็จะไม่ได้ทำในสิ่งที่เราควรจะทำะดังนั้น ในขั้นต้นนี้เราต้องตั้งใจกันตั้งเป้ากันซึ่งาภาษาพาก็เรียกว่าอธิษฐานอธิษฐานนี้ไม่ได้แปลว่าขอให้ได้ผลอย่างนั้นให้ได้ผลอย่างนี้แต่ขอให้ได้ทำเหตุคือการกระทาของเราเพราะว่าถ้าเราได้กระทาแล้วผลก็จะตามมาเองผลไม่ได้เกิดขึ้นจากการขอ เกิดจากการกระทําการกระทําจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเกิดจากการตั้งใจเราต้องตั้งใจเช่นเราต้องสัญญากับตัวเราเองว่าปีนี้เราต้องทําดีกว่าปีที่แล้วคิดดีกว่าปีที่แล้วพูดดีกว่าปีที่แล้วพอเราได้ตั้งใจแล้วเราก็ต้องม า, มาติดตามความตั้งใจของเราว่า ที่เราได้ตั้งใจไว้ที่เราให้สัญญากับตัวเราไว้นี้เรารักษาคำมั่นสัญญาไว้หรือเปล่าเราได้ทำดีขึ้นคิดดีขึ้นพูดดีขึ้นมากกว่าปีที่แล้วหรือเปล่าเช่นการคิดดีพูดดีทำดีที่พระเจ้าทรงสอนให้เราก็ทมก็คือให้เราทำบุญให้เราละ บ, บาปให้เราชำระใจให้สะอาด ลดความโลภความโกรธความหลงลดความอยากต่างๆให้น้อยลงไปเราก็ต้องถามตัวเรเองว่าเราตอนนี้เราทำบุญมากกว่าเก่าหรือเปล่าเราละบาปได้มากกว่าเก่าหรือเปล่าเราชำระใจของเราได้มากกว่าเก่าหรือเปล่านะเราต้องถามตัวเองดูถ้าเราไม่ถามก็เหมือนกับไม่มีคนมาคอยทวงนี่ นี่นี่ถ้าเราไม่ทวงเขาไม่จ่ายนะการกระทาความดีก็เหมือนกับการการใช้นี่นะถ้ า, าไม่มีคนมาทวงเราก็มักจะไม่ใช้กันเนะจ้าหนี้เลยรจ้องมาตามลูกหนี้เรื่อยๆเพราะถ้าปล่อยให้ลูกหนี้เอามาเอานี่มาคืนนี่ก็จะยากเขาถึงมีคนมาคอยเก็บหนี้อยู่ตลอดเวลาฉันไะด เราก็เป็นเหมือนลูกดีเพราะเราได้ตั้งตั้งใจได้ให้คํามั่นสัญญากับตัวเราเองแล้วว่าปีนี้เราจะทำบุญมากขึ้นทำบุญบ่อยขึ้นจะละบาปมากขึ้นละบาปบ่อยขึ้นจะชำระความโลภ ค, ความโกรธ ค, ความอยากความหลงให้มากขึ้นนะพอทุกวันเราตื่นขึ้นมาเราก็ต้องถามอู เมื่อวานนี้เราทำบุญมากขึ้นหรือเปล่าเราละบากมากขึ้นหรือเปล่าเราชำนาญใจของเรามากขึ้นหรือเปล่าถ้าเราทำก็ถือว่าเราได้รักษาสัญญาของเราไว้เราก็มีสัจจะมีความจริงใจเป็นคนซื่อสัตย์ไม่ใช่เป็นคนโกหกหลอกลวงแม้กับตัวเราเองก็ก็หลอกลวงได้ เช่นเราตั้งสัจจะไว้แล้วตั้งอธิษฐานไว้แล้วแต่เราไม่มีสัจจะคือเราตั้งไปโ ก, โกโก้อย่างนั้นว่าปีนี้จะทำบุญมากขึ้นจะละบาปมากขึ้นจะชำระใจให้สารมากขึ้นแต่เราไม่ได้ทำตามที่เราตั้งใจเอาไว้ถ้าเราไม่ได้ทำตามที่เราตั้งใจเอาไว้ใจของเราผลก็จะไม่เกิดขึ้นมา ดังนั้นเราต้องคอยทวงนี่คอยถามเราอยู่เรื่อยว่าปีนี้เราทำบุญมากกว่าปีที่แล้วหรือเปล่านะเราละบาปคือละบาปละอบายามุขได้มากกว่าปีที่แล้วป่ะเราลดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆของเราได้มากกว่าปีที่แล้วหรือเปล่านะเราต้องถามอยู่เรื่อยแล้วถ้าเรายังทามไม่ได้เราก็ต้อง หาเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยให้เราทำให้ได้เพราะบางทีเราขาดเครื่องมือถ้าเรามีเครื่องมือแนละ้วเราก็จะทาให้สามารถทำในสิ่งที่เราควรจะทำได้เช่นถ้าเรายังไม่ได้ทำบุญมากเท่าที่เราตั้งใจเอาไว้เราก็ต้องหาเครื่องมือเครื่องมือชนิดหนึ่งก็คือมราานาณสติ ให้เรานึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆให้คิดว่าชีวิตของเรานี้ไม่ไม่แน่นอนไม่มีใครจะรักประกันได้ว่าจะอยู่ถึงอายุเท่าไหร่แล้วถ้าเราไม่รีบทำบุญเวลาเราตายไปเราจะไปแบบคนแบบขอทานเราจะไม่มีบุญติดตัวไปเราก็จะไปเกิดในอบายไปเป็นเปรตไปตกนรก แต่ถ้าเราทําบุญอยู่เรื่อยๆละบาปอยู่เรื่อยๆเวลาเราตายไปเราก็จะตายแบบเศรษฐีเราจะเป็นเศรษฐีบุญจะมีบุญพาเราไปให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆนี่ก็คือวิธีที่กรกะตุ้นให้เราทําบุญให้เราคิดว่าเวลาเราตายไปเราเอาอะไรยัง อย่างอื่นแล้วเอาไปไม่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียวเงินเงินทองก็เอาไปไม่ได้ของเล่นต่างๆก็เอาไปไม่ได้เสื้อผ้าสวยๆงามๆก็เอาไปไม่ได้กระเป๋ารองเท้าสวยๆงามๆก็เอาไปไม่ได้ไม่มีอะไรที่เราจะเอาไปได้เลยอย่างนั้นเราอย่าเอาเงินเอาทองไปซื้อกับของที่เราเอาไปไม่ได้ เราต้องคิดถึงวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องออกเดินทางถ้าเราไม่มีอะไรติดตัวไปเราจะไปแบบขอทานแต่ถ้าเราหมั่นทำบุญอยู่เรื่อยๆมันก็จะทำให้เราไปแบบเศรษฐีไปแล้วก็ไปสุขสบายไปสวรรค์นี่ดีกว่าไปนรกไปสวรรค์ก็เหมือนกับได้ไปเที่ยวต่างประเทศแต่ดีกว่าต่างประเทศสวยงามกว่าต่างประเทศ มีความสุขมากกว่าไปต่างประเทศแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงภัยกับการตกเครื่องบินไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องอาหารการกินที่อยู่อาศัยเพราะว่าเรามีบุญบุญนี่จะมีที่พักให้เรามีอาหารให้เรารับประทานมีที่ให้เราได้ชมได้เที่ยวอย่างสุขอย่างสบายถ้าเราพยายามทำบุญอยู่เรื่อยๆ ดังนั้นขอให้เราอดขมไว้กินหวานดีกว่า <c oughs> เช่นมะม่วงเวลาอดเปรี้ยวไว้กินหวานดีกว่า <c oughs> เวลามะม่วงออกมาใหม่ๆมันยังไม่สุกนี่มันเปรี้ยวอย่าเพิ่งไปกินมันรอให้มันสุกก่อนแล้วค่อยกินดีกว่าชีวิตของเราก็เหมือนกับมะม่วงอย่า ก, กินอย่าหาความสุขในโลกนี้เพราะมันเปรี้ยวความสุขที่เราได้ในโลกนี้มันไม่ได้เป็นความสุขอย่างเดียว มันมีความทุกข์ด้วยเวลาที่เราไม่ได้เที่ยวเราก็ทุกข์เวลาที่เราไม่ได้ดื่มไม่ได้รับประทานไม่ได้ดูไม่ได้ฟังสิ่งต่างๆที่เราอยากดูอยากฟังเราก็จะทุกข์ใจบางทีเราไม่มีเงินเที่ยวเราก็จะทุกข์ใจบางทีเราอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เราไม่มีเงินซื้อเราก็จะทุกข์ใจ แต่ถ้าเราทำบุญอยู่เรื่อยๆเราจะไม่มีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะใจเราจะมีบุญหล่อเลี้ยงทําให้ใจเราอิ่มไม่หิวไม่อยากได้สิ่งต่างๆในโลกนี้เราก็จะไม่มีความทุกข์ใจดังนั้นอดเปรี้ยวไว้กินหวานดีกว่าคือถึงเวลาที่เราจะต้องตายจากโลกนี้ไปว่าเราจะไปอย่างไร เราจะไปแบบเศรษฐีหรือเราจะไปแบบขอทานถ้าเราอยากจะไปแบบเศรษฐีเราก็ต้องมันทําบุญอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่เราอยากจะเอาเงินทองไปซื้อกระเป๋าซื้อลองเท้าซื้อของสวยๆงามๆที่ไม่จําเป็นถ้าเรามีรองเท้าแล้วมีกระเป๋าแล้วเรามีข้าวกินแล้วมีที่อยู่อาศัยแล้วมีผ้าเสื้อผ้าพอใส่แล้ว เราก็อย่าซื้อของต่างๆที่ไม่จำเป็นมาเลยเอาเงินมาทำบุญทำทานดีกว่าแล้วเราจะได้มีบุญติดตัวไปการทำบุญก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องทำกับวัดอย่างเดียวเราทำกับใครก็ได้การทำบุญนี่คือการให้เราให้ใครเราก็ได้บุญให้พ่อให้แม่ก็ได้ถ้าเรามีความกระตันอยู่อยากให้พ่อแม่มีความสุขมีความสบาย เราก็ให้พ่อให้แม่เป็นการตอบแทนบุญคุณเราจะให้พี่ให้น้องให้เพื่อนก็ได้เพราะเราอยากจะให้เขามีความสุขเช่นเราให้ตอนช่วงปีใหม่เราก็ซื้อของขวัญให้คนนั้นให้คนนี้เราจะให้สุนัขให้แมวก็ได้จะไปปล่อยนกปล่อยปลาก็ได้จะไปให้ที่โรงพยาบาลก็ได้ซื้อหยูกซื้อยาหรือบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาล ไว้สาหรับใช้รักษาคนยากไร้คนที่ไม่มีเงินทองรักษาเนี่ยเราทำได้ทุกแห่งทุกคนขอทาข้างถนนเราก็ทำได้ให้ได้การให้นี้จะทำให้ใจเรามีความสุขมีความอิ่มเอิบใจความสุขความอิ่มเอิบใจนี้แหละคือบุญที่จะทำให้เราไม่หิวไม่อยากจะซื้อของต่าง ไม่อยากไปเที่ยวไม่อยากไปดื่มไปรับประทานอะไรที่มันไม่จาเป็นแล้วเราก็จะได้มีบุญไปกับเราเวลาเราอยู่เราก็จะมีความสุขเราจะมีเพื่อนมีคนที่รักเราเพราะเราทําประโยชน์ให้กับคนอื่นนั่นเองเราให้ความสุขแก่ผู้อื่นผู้อื่นเขาก็จะรักเราชอบเราอยากจะให้ความสุขกับเรา เวลาเราตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเราก็จะมีคนมาดูแลมาช่วยเหลือเรานี่ให้เราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะมีความกลังใจที่อยากจะทําบุญเพราะบางทีเวลาเราทําบุญเราก็ไม่รู้ว่าเราทําแล้วเราได้อะไรบุญเราก็ไม่เข้าใจว่าเป็นอย่างไรทําไปแล้วจะได้จริงหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าตายไปแล้วเรายังจะอยู่ต่อไปหรือเปล่า หรือเราจะตายไปกับร่างกายขอให้เรารู้ไว้เถิดว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจที่ต่างจากร่างกายเพียงแต่ว่าใจนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายเท่านั้นเองแต่ใจเป็นผู้รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านทางร่างกายใจเป็นผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทาอะไรต่างๆแล้วใจก็เป็นผู้รับผลของ สิ่งที่ใจสั่งให้ร่างกายทำถ้าใจสั่งให้ร่างกายทำบุญใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาถ้าใจสั่งให้ร่างกายทำบาปใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาใจนี่แหละเป็นผู้ทำผู้สั่งและเป็นผู้รับผลที่แท้จริงร่างกายเป็นเพียงผู้รับเคาะกรรในฐานะที่เป็นลูกน้องเท่านั้นเองแต่เค หรืขอข้อกังันใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่อยู่ที่ใจเพราะร่างกายไม่รู้เรื่องรู้ราวร่างกายจะถูกตัดแขนตัดขาจะถูกทําอะไรร่างกายเขาไม่รู้ว่าเขาถูกตัดแขนตัดขาเขาไม่รู้ความเจ็บเขาไม่มีความเจ็บผู้ที่รู้ความเจ็บก็คือใจนะดังนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าว่าเรามีใจเราเป็นใจ ใจนี่แหละที่จะต้องเป็นผู้รับผลบุญผลบาปที่จะเกิดขึ้นทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และขณะที่ตายไปแล้วถ้าเราได้ข้อมูลอย่างนี้แล้วเราเชื่อตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเราก็จะมีกำลังจิตกำลังใจที่อยากจะทำบุญมากมากเพราะบุญนี่แหละเป็นที่พึ่งของเราอย่างแท้จริง ถ้าเราทำบุญแล้วรับรองได้ว่าชีวิตของเรานี้จะมีความสุขมากกว่ามีความทุกข์เพราะเราไม่ได้ไปสร้างความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้สิ่งต่างๆเวลาเราอยากได้สิ่งต่างๆแล้วเราไม่ได้เรารู้สึกอย่างไรเรามีความสุขหรือเราไม่มีหรือมีความทุกข์แต่ถ้าเราทำบุญแล้วเราจะไม่มีความอยากได้สิ่งต่างๆ เราก็จะไม่ทุกเวลาเพราะว่าเราจะไม่มีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้กันคนที่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้ก็ร้องหบร้องไห้งอแงหงุดหงิดสร้างปัญหาให้กับคนอื่นทำให้คนอื่นเข้ารำคาญทำให้คนอื่นเขาไม่อยากอยาจะอยู่ใกล้ชิดด้วยแต่ถ้าเราทำาุนอยู่เรื่อยๆแล้วความอยากมันจะน้อยถ้า ถ้าอยากได้ก็ต้องเป็นของที่จําเป็นจริงๆถ้าของไม่จําเป็นก็ไม่อยากได้นี่คือการทําบุญเราต้องพยายามคิดถึงผลที่จะตามมาต่อไปเช่นเดียวกับการละ บ, บาปก็เป็นเช่นเดียวกันการละ บ, บาปก็เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เราต้องไปรับโทษไม่ต้องเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาเราทําบาปแล้วเรารู้สึกอยังไงสบายดีไหม เวลาเราโกหกคอยโกหกพ่อแม่โกหกคนอู่นคนนี้แล้วเรารู้สึกสบายใจหรือเปล่าเราไม่สบายใจเพราะเรากังวลว่าเขาจะจับเราได้จับโกหกเราได้เวลาเขาจับโกหกเราได้นี่เรากลายเป็นคนไม่มีศักดิ์ศรีไปเป็นคนไม่น่าเชื่อถือเป็นคนที่ไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยนี่คือ เรื่องของการทำบาป mm hmm. เช่นเดียวกับการลักขโมยเวลาเอาขโมยของของคนอื่นมาเรามีความสุขหรือเปล่าถึงแม้ว่าเราจะได้ของที่เราอยากได้มาก็ตามแต่ได้มาแล้วใจไม่สบายแล้วแล้วเราก็จะมีความวิตกกังวลหวาดกลัวแล้วก็จะติดเป็นนิสัยไปด้วยทำแล้วก็อยากจะทำอีกเวลาอยากจะได้อะไรก็จะลักขโมยอีก แล้วพอถูกจับได้ก็ต้องถูกไปจับไปลงโทษเราก็จะอยู่แบบแบบสุนัขคือจะต้องถูกเขาจับขังไว้ในกรงปล่อยออกมาไม่ได้ถ้าปล่อยออกมานอกกรงแล้วเดี๋ยวไปขโมยข้าวของของคนอื่นเขาคนที่ถูกจับขังในคุกในตราดก็เพราะว่าเขาทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนั่นเองเขาเป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานที่ปล่อยให อยู่ตามอิสระไม่ได้เพราะถ้าปล่อยแล้วเดี๋ยวก็จะไปทำร้ายผู้อื่นนี่คือผลของการทำบาปในขณะที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันและเวลาตายไปก็ต้องไปเกิดในอบายถ้าทำแบบถ้าอยู่ขณะที่เป็นมนุษย์ทำแบบแบบเดรัจฉานตายไปก็ต้องไปเป็นเดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภแบบเปรต ตายไปก็จะไปเป็นเปรตถ้าทำบาปด้วยความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทแบบสันนรกตายไปก็ต้องไปเป็นสันนรง์อันนี้เราเป็นคนทำเองเราเป็นผู้สร้างผลต่างๆขึ้นมาเองพระพุทธเจ้าทรงเห็นผลที่ไม่ดีที่เกิดจากการทำบาปแล้วจึงเอามาสั่งสอนพวกเราที่ยังไม่รู้ยังไม่เห็นกันอยู่เพราะเนื่องจากว่าเรามันตาบอด เรามองไม่เห็นโลกทิพย์เรามองไม่เห็นสวรรค์เรามองไม่เห็นนรกกันมีพระพุทธเจ้ากับพระสาวกเท่านั้นที่ท่านมีดวงตาสว่างดวงตาเห็นธรรมเห็นนรกเห็นสวรรค์ท่านจึงต้องมาสั่งสอนพวกเราพวกเราจึงต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระสาวกเพราะว่าเราเป็นเหมือนคนตาบอดพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนคนตาดี คนตาบอดถ้าไม่เชื่อคนตาดีแล้วจะไปเชื่อใครคนตาดีนี่จะพาคนตาบอดไปสู่จุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยที่คนตาบอดต้องการจะไปได้เวลาคนตาบอดไปไหนจึงมักจะต้องมีคนตาดีพาไปพวกเราก็เป็นเหมือนพวกตาบอดที่ยังไม่ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราอยากจะไปกัน ก็คือไปสู่ที่สิ้นสุดของความทุกข์ที่สิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวมีพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านไปถึงแล้วถ้าเราอยากจะไปถึงที่นั้นเหมือนกับพระพุทธเจ้ากับพระสาวกเราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระสาวกทำตามที่พระพุทธเจ้าพระสาวกทรงสั่งสอนให้กระทากัน ก็คือไม่ให้ทำบาปให้ทำบุญแล้วก็ต้องมาชำระใจให้สะอาดเพราะจ้าใจยังไม่สะอาดใจยังมีความโลภความโกรธความหนงยังมีความอยากอ ย, กอยู่ใจก็ยังจะต้องไปเกิดใหม่ถ้าไม่อยากจะไปเกิดใหม่ก็ต้องชำระความอยากความโลภต่างๆให้หมดไปจากใจวิธีที่จะชำระได้ก็ต้องปฏิบัติธรรม ที่เรียกว่าจิตตภาวนาต้องทำใจต้องทําจิตใจให้สงบเป็นสมาธิให้นิ่งให้เฉยไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการได้อะไรพอได้สมาธิแล้วก็ต้องใช้ปัญญารักษาความนิ่งความสงบความอิ่มความไม่อยากนี้ด้วยปัญญาเพราะถ้าไม่ใช้ไม่ใช้ปัญญาเวลาออกจากสมาธิมาความนิ่งความสงบนี้จะค่อย จางไปหายไปเหมือนกับเวลาที่เราเอาน้ำแช่ไว้ในตู้เย็นเวลาเอาออมันตั้งไว้นอกตู้เย็นถ้าทิ้งไว้สักระยะหนึ่งความเย็นก็จะหายไปถ้าเราอยากจะรักษาความเย็นเราก็ต้องเอากลับเข้าไปแช่ในตู้เย็นแต่ใจของเราไม่สามารถอยู่ในสมาธิได้ตลอดเวลาเพราะเรายังต้องออกมาทำภารกิจต่างๆทางร่างกาย เวลาเราออกจากสมาธิมาเราจะต้องใช้ปัญญาคอยสอนใจคอยเตือนใจว่าความทุกข์ความความไม่สงบของใจของเรานี้จะถูกทําลายด้วยความอยากต่างๆด้วยความโลภต่างๆนี้เองเพราะฉะนั้นอยากไปอยากอยากไปโลภเพราะสิ่งที่เราอยากได้อยากมีนะั้นมันไม่ได้ให้ความสงบให้ความสุขกับใจ แต่มันกลับจะทำให้ใจของเราวุ่นวายฟุ้งซ่านขึ้นมามากขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เราได้มามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปหรือมันเสื่อมไปหรือมันหมดไปพอมันเปลี่ยนไปเสื่อมไปหมดไปมันก็ทำให้เราวุ่นวายใจขึ้นมาเสียอกเสียใจขึ้นมาสอนใจอย่างนี้สอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ได้ให้ความสุข ความสงบกับใจการไม่อยากได้อะไรเท่านั้นแหละที่จะทำให้ใจสงบและนิ่งได้เวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิสอนอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปใจก็จะไม่อยากได้อะไรไพอไม่อยากได้อะไรก็จะไม่โกรธใครการที่เรามีความโกรธก็เพราะว่าเราไม่ได้ดังใจอยากเวลาเราอยากได้เงินได้ทองหรือ ไ, ได้ข้าวได้ของ ขอจากพ่อขอจากแม่แล้วไม่ได้ก็โกรธพ่อโกรธแม่เสียอกเสียใจแต่ถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราก็จะไม่โกรธใครนี่คือวิธีที่เราจะชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เราต้องฝึกทําใจให้สงบการจะทําใจให้สงบเราก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือนี้ก็คือสติ เราต้องใช้สติดึงใจไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆให้คิดอยู่กับเรื่องเดียวคือพุทโธพุทโธหรือให้คิดอยู่กับร่างกายให้เฝ้าดูร่างกายไปเรื่อยๆไม่ว่าร่างกายกาลังทำอะไรก็ให้อยู่กับร่างกายไปให้รู้ว่าร่างกายกาลังทำอะไรอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าจะคิดก็ให้หยุดให้ยืนเฉยๆหรือให้นั่งเฉยๆ แล้วคิดเรื่องที่จําเป็นอย่าต้องคิดเช่นคิดว่าวันนี้จะต้องไปทาอะไรบ้างเมื่อเรารู้แล้วเราก็หยุดคิดแล้วเราก็ดาเนินการต่อไปอขณะที่ดําเนินการเราก็ให้ดีสติเฝ้าอยู่กับร่างกายถ้ามันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้ใช้พุโทโธเดิมเอาไว้พองพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วใจจะว่างใจจะนิ่งใจจะสงบ เราใจจะมีความสุขความอิ่มความพอจะไม่หิวไม่อยากได้อะไรนี่แหละคือการทําให้ใจของเราไม่ต้องไปเกิดใหม่ไม่ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่เพราะถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราก็ไม่ต้องมีร่างกายการที่เราต้องมีร่างกายก็เพราะว่าเรายังอยากดูอยากฝันยังอยากมีตามีหูมีจมูก มีลิ้นมีร่างกายนี่เองนี่แหละคือวิธีที่เราจะสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่ชีวิตของเราด้วยการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ในปีนี้เราก็ต้องทำให้มากกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วเราทำบุญเท่าไหร่เราก็ต้องเพิ่มให้มากขึ้นกว่าเดิมเราละบาปได้มากเท่าไหร่ก็ต้องละเพิ่มให้มากกว่าเดิมเราชำระใจได้มากกว่า ได้ได้เท่าไหร่ปีที่แล้วปีนี้เราก็ต้องชําระให้มากขึ้นเราทำเรานั่งสมาธิได้มากเท่าไหร่เราก็ต้องนั่งให้มากขึ้นเราพิจารณาปัญญาเจริญปัญญาได้มากเท่าไหร่ก็ขอให้พิจารณาให้มากขึ้นไปแล้วความสุขและความเจริญก็จะมีเพิ่มมากขึ้นตามมาเพราะผลยุ่งจ้องเกิดจากเหตุเท่านั้นไม่ได้เกิดจากสิ่งต่างๆทั้งหลาย มีอยู่ที่เหตุเหตุของเราก็คือการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจก็คือทำบุญละบาปละชำระใจให้สะอาดนี่เองจึงขอฝากเรื่องของการมาสร้างความสุขสร้างชีวิตใหม่ในปีใหม่ให้ดีขึ้นกว่าปีเก่าโดยการตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ใช้สัจจะความจริงใจ ติดตามการตั้งใจของเราให้กระทำตามตามที่เราได้ตั้งใจเอาไว้แล้วผลที่เราปรารถนาก็จะตามมาอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรยัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้